พระธรรมเทศนาแผ่นที่52ลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่19พฤษภาคม2556มีชื่อเรื่องว่าสบายแค่ไหนก็ไม่ควรลืมตัวเป็นไงลูกหลานมารับทิดศึกใหม่ มาถึงตอนไหนเมื่อคืนนี่่าพลน่ะมาถึงดึกเกินไปวะหลวงพ่อคอยคอยตอนหัวค่ำเดินผ่านไปเพียรไมอคงไม่มามักงมาคงจะดึกมาหลวงพ่อก็เมื่อวานไปงานสัตตมวาลครบรอบเจ็ดวันของหลวงพ่อคูนสุเมโธ ไปตอนเนี่ยสิบโมงกลับมาได้กันนู้นบ่ายสองกว่าหนะลวงพ่อเหนื่อยพอแรงเหมือนกันนะอากาศก็ร้อนก็เลยพอตกตอนเย็นเลยเดินไปเดินมาค่อยๆลูกหล้านเ <Hey. S 1> อคงไม่มาบ้างเลยหลวงพ่อก็กลับขึ้นไปหาพักกันตัวเองไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวพรุ่ในช้าค่อยเจอกันพบกัน่ะก็ได้เจอกันอย่างที่นี่นะใชะ่ได้พบได้เจอกันแต่ถ้าหากว่าอยากจะถาม สารถูกสุกติบกันนะ่ะทิศทั้งหมดเนี่ยถามๆด้วยสิทิศก็คงจะดีอกดีใจพอแรงเห็นพวกหมูมารับใช้พวกญาติเพี่น้องมารับเพื่อนฝูงมารับพวกหน้าก็คงจะดีใจพอแรงเหมือนกันถ้าว่าผู้ที่ใ่ใจในการศึกษาหรือ่ใยใจในการประพฤติปฏิบัติอก็คงจะไม่เท่าไหร แจะทากว่าโอ้โหตายตาตาตามาเขาเนี่มาติดคุกแน่แน่ติดทุกข์คักเลยวกมาติดคุกนาคำน้อยเหมือนกันเนี่ยถ้าทิศคิดอย่างนั้นนะถ้าคิดเจออย่างงั้นนะแปลว่าทิศทางหลายไม่ได้มุ่งหวังไฟในการศึกษาเหมือนกับติดคุกเนี่ยถ้าญาติพี่น้องมาก็โหเหมือนกับติดปีกดีอกดีใจฮะแต่ลุงพ่อว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหรอกนะ วรู้สึกวัตถิษฐางหลายที่ลาศึกออกไปนะก็เราอืมก็คงจะได้แนวความคิดหลากหลายในแนวความคิดเหมือนกันนะเข้ามาศึกษานะวันนี้เป็นวันที่สิบเก้าพฤษภาคมพุทธศักราชสองพนหะ้าห้าสิบหพระในวัดของเราขณะนี้นะก่อนห้าสิบกว่ารูปกับ6หกสิบ แต่ขณะนี้พวกคณะเจ็ดสถาบันการศึกษารานศิขาไปแล้วเมวื่อวานนี่ยยังเหลือพระอยู่สามสิบสองขณะนี้ลงมาฉันยี่สิบหกงดฉันหกรูปนาคสองนาคแปลว่าผู้เตรียมจะเข้ามาบวชอีกลอที่จะมาบวชต่อไปแต่ถึงยังไง พวกทิดทางภาษาอีสานเขาเรียกว่าทิดนะคนที่ศึกไปใหม่ทิศถา้าใครบวชนานๆสามปีขึ้นไปแล้วก็มีการทำพิธีรถสงไข่คก็ว่ามีคุณงามความดีขณะที่บวชเป็นที่ยอมรับของชุมชนในกลุ่มนั้นในหมู่บ้านหรือ ว, ว่าชุมชนนั้น เขาให้ความยอมรับบวชสามปีขึ้นไปเขาเรียกว่าสงสงน้ำสงน้ำอาจารย์แปลว่าเป็นผู้มีคุณอุปการในท้องถนนิ่นนั่นเป็นผู้นำในท้องถิ่นนั้นพอสงน้ำเสร็จแล้วเขาเรียกอาจารย์พอศึกออกไปเนี่ยเขาเรียกว่าอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ใส่ข้าวนะ อาจารย์เนี่ยเรีว่านักปรารถนอาจารย์เป็นอาจารย์ถ้าคนที่บวชเข้ามาเป็นพระที่ศึกออกไปใหม่เขาเรียกว่าเป็นทิศแปลว่าทิศทิศทั้งสี่ทิศบัณฑิตพูดง่ดยายๆบัณฑิตอาจารย์ถ้าหาว่าเป็นอายุยังไม่ครบยี่สิบบวชเป็นเนนบวชเป็นเนนศึกออกไป ก็เรียกว่าเสียงบวชเสียงเมี่ยงบวเซียงนั้นบวชเสียงแหววบวเสียงอะไรหรือไม่เสียงทั้งนั้นอ่ะเขาว่าเสียงเลยปว่าคนบวชอายุยังไม่ครบยี่สแล้วก็ลาศิกขาที่บวชเป็นสมานเณรทางอีสานเนี่ยเขาเรียกว่าเสียงบวชน้อยบวชเข้ามาชั่วคราวบวชทศบวชเข้ามานานที่เป็นที่ยอมรับก็เรียกว่าอาจารย์นักปรารถนอาจารย์ เป็นผู้นําพอศึกออกไปก็เป็นผู้นําชุมชนคล้ายเป็นผู้พานาไหว้พระสวดมนต์อาราธนาปริตรอาราธนาศิลลลักษณะอย่างงั้นอ่ะก็เรียกว่าอาจารย์อาจารย์เพราะฉะนั้นพวกเราที่มาที่บวชในคราวนี้บวชเดือนกว่าเข้ามาเป็นนาคตั้งแต่วันที่ 12, สิบสองเมษาอุปสมบทวันที่21็ เมษาลาศิกขาวันที่18พฤษภาห้หปีเดียวกันปีห้าหลาศิกขามาวานนี้แต่วันนี้คณะญาติจากยาตุระทิศในมารวมกันรับญาตกลับภูมิลำเนาวันนั้นหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นเจ้าของสถานที่เจ้าของวัด ป่านาคำน้อยแห่งนี้หลวงพ่อเองก็เห็นลูกหลานที่เข้ามาบวชหลวงพ่อเองก็ได้แนะนำสั่งสอนเท่าที่มีความสามารถที่จะสอนได้คือทางว่าหลวงพ่อไม่อยู่หลวงพ่อก็จะให้พระเป็นผู้นำไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เอา m อ3สของหลวงพ่อมาเทศลวมาพูด ให้แก่ลูกหลานพระใหม่ได้ศึกษาเพราะว่าหลวงพ่อเองรับนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ปีสี่แปดปีนี้เป็นรุ่นที่แดก่อนหน้านี้ก่อนที่พวกเราจะบวชเนี่ยก็นักศึกษารับนักศึกษารุ่นที่แดคือที่ต่อ น, นอเนื่องมามีขาดอยู่ช่วงปีหนึ่งในแปดปีที่ผ่านๆมา ศึกษาโลงพยาบาลมหิดลศิริราชรามาเ น, นี่ยก็มาบวชทุกปีทุกปีปีละมากปีละน้อยแต่บางปีก็สิบกว่าแต่ปีนี้มีเก้ามาบวชก็ลาศึกษ า, าไปแล้วในละลงพ่อก็ได้รับนักศึกษาแต่จะรับมากไหมก็คงจะไม่ถึงมากเพราะว่าสถานที่ของเราก็จำกัดวัดของเราก็ กุฏิอย่างที่พวกลูกหลานได้เห็นก็ตบกระแตบอยู่ข้างในแต่เนื้อที่กว้างขวางจริงอยู่ทั้งหมดพันกว่าไร่ที่วัดของเราเนี่ยพันสกว่าไร่แต่ว่าที่พักพาอาศัยหลวงพ่อเองก็มาในสร้างอะไรมากมายเพราะว่าการก่อสร้างที่หลวงพ่อเคยปรบเคยพูดให้กับพวกคณะสัธาญาติโยมที่เกี่ยวข้อง ถ้าหากว่าเราสร้างอะไรลงไปหรูหราโออาเกินไปก็ยากแก่การรักษาการดูแลต่อไปภายภาคหน้าถ้าหากว่าไม่มีหลวงพ่อองค์ที่เป็นทายาทที่จะอยู่ต่อไปก็ลำบากใจเพราะว่าสิ่งของที่เออที่ก่อสร้างไปนั้นอ่ะถ้าไม่ดูแลถ้าไม่รักษาก็ดูดแูแล้วก็เป็นที่ตํหนิผู้ที่มาเกี่ยวข้อง ถ้ารักษาขอมเม่รู้จะรักษาอย่างไรเพราะรักษาไปแล้วก็ไม่มีใครอยู่เพราะพระมันน้อยญาติโยมมันน้อยสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อก็ได้คิดวางแผนล่วงหน้าไว้เหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงไม่ได้คิดสร้างอะไรมากมายหรูหราโอ้อาเพียงแต่ว่าเป็นสําหรับให้พระในพักพ้าอาศัยหลังเล็กๆ ก, กระต๊อบกระแทบ อ, อยู่ไปนี่แหละอันนี้ก็คือเสนาธนะ ที่วัดป่าหนักอ่ำน้อยของพวกเราแต่ถึงยังไงหลวงพ่อเองจะเน้นหนักเรื่องภาคปฏิบัติเพราะหลวงพ่อเองที่เคยอยู่ที่วัดป่าบ้านตากก็ยิ่ยงแย่กว่าอย่างลูกหลานอยู่ทุกวันนี้เพราะหลวงพ่อเองอยู่ที่วัดป่าบ้านตากมีเสาสีต้นและก็มีหลังคาฝาก็ใช้ผ้าจีบอนล้อมรอบแล้วก็พักผ่อ น, นเท่านั้นแหละ อยู่ด้วยความผาสุกก็ไม่ได้คิดอะไรพอเราเป็นพระเราเป็นนักบวชแต่มาถึงอยู่จุดนี้หลวงพ่อเป็นหัวหน้าหลวงพ่อก็มองมองดูข้างหลังเหมือนกันเออถ้าหาก ว, ว่ามีกุติมีฝาแล้วก็มีม้งลวดล้อมรอบกันยุงด้วยเปละนั่งภาวนาและการพวกมะหลงมะงด้วยก็จะดีหลวงพ่อก็เลยทาเป็นฝาขึ้นมาแล้วก็มีม้งลวดล้อมรอบมีประตู สรุปแล้วก็คือสบายกว่าที่หลวงพ่อเคยปฏิบัติมาแต่ก็ไม่ให้สบายจนเกินไปเพราะเหตุว่าเราเข้ามาเพื่อการศึกษาเพื่อปฏิบัติเพื่อจะเรียนรู้ความลำบากในการเป็นอยู่ของพระที่พระพุทธเจ้าท่านบวชท่านก็บอกว่าลุกขโมลเซนนาสนังนิส่ายปปัชชาตัทธเยวชีวังอุจารโอกรณิโย อติเลกลาโภเมื่อเจ้าบวชเข้ามาแล้วเราต้องอยู่อยู่โครนต้นไม้นี่แหละอยู่โครนต้นไม้ที่แจงรอมฟังที่สงบสงัดอันนี้ ค, คือที่อยู่ของพระสงฆ์แต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับพวกของพวกเราเนะี่ยหรูหราเกินกว่าที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้มาถึงยังไงก็ตามก็ให้ลูกหลานที่ผ่านมาเนะี่ยะได้ศึกษาได้เดีนกว่า หลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าคงจะได้รับแนวความคิดมากหลากหลายแต่เรื่องการเป็นอยู่ก็ไม่ว่ากันล่ะถ้าเราต้องการความสุขเราก็คงจะไม่มาบวชอันนี้เราจะมาอยากจะมาเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาเรื่องพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือแนวทางปฏิปทาของสายหลวงปู่มั่นอันนี้ล่ะ อันนี้ก็คือเราอยากจะศึกษาบัรสายหลวงปู่มั่นท่านเป็นอยู่อย่างไรท่านฉันอย่างไรแต่ในพวกเราสุดท้ายปลายเด็กแถวปลายแดนจะให้เข้มข้นเข้มงวดกวดขันเหมือนกับสมัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นพาดําเนินนั้นคงไม่ถึงขนาดนั้นขนาดหลวงพ่ออยู่เคยอยู่เป็นสมณีนอยู่กับหลวงปู่ล่าภู่โจกอ้อายุ11 ปีสิอย่าง12ปี 2,500 ถ้าจะเปรียบเทียบกับยุคนี้สมัยนี้สมัยที่หลวงพ่อยังอยู่ขณะนี้หลวงพ่อว่าหรูหราโออาอย่างมากแต่สมัยก่อนหน้านี้ เ, เป็นปัจใจสีอยู่ในความาประหยัดอัตคัดอย่างมากการเป็นอยู่ในยุคสมัยนั้นามายุค องหลวงตาต้นๆก็เหมือนกันมาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดปี 2,512 จนถึง 2,525 25ที่อยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเป็นเวลา14ปีหลวงพ่อเองก็ดูๆแล้วก็พอช่วงปลายๆออกที่จะออกรู้สึกศรัทธาญาติโยมรู้จักมากขึ้นอะไรก็รู้สึกว่าหลั่งไหลเข้ามา แต่อยู่ต้นๆหลงตาก็อยู่ด้วยความลาบากเหมือนกันแต่ตอนนี้อย่างวัดเราที่มาตั้งอยู่ที่นี่ ต, ตั้งแต่ปีสอหลวงพ่อมาอยู่ปี25มาจำพรรษาปี25าแต่มาอยู่ปีส3แต่หลวงพ่อเข้าไปจำพรรษาที่บ้านตาแต่ปี25หลวงพ่อออกมาอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้ก็มีท่านพระอาจารย์จดท่านพระอาจารย์นิพน์ ที่อยู่แทนหลวงพ่ออยู่จากนั้นหลวงพ่อได้ออกมาก็ได้มาสร้างตั้งแต่ปีสองหเมื่ออยู่มาอยู่เป็นยังไงก็ลืบอย่างที่ว่าเหมือนกันเพราะเรามาอยู่ในป่าโรงพงไพ่ถนนทางหน้าวัดก็ยังไม่มีเดินบุกป่าพารงเข้ามาความลําบากทุกสิ่งทุกอย่างมันก็องอย่างที่ว่าอยู่ในที่กันดารแต่เราก็อยู่ Hey, อยู่ด้วยความสมัครใจกันดาลขนาดไหนเราก็อยู่อยากจะเห็นว่าความทุกข์ยากลำบากเนี่ยมันมียังไงเพราะนั้นหลวงพ่อเองผ่านความทุกข์ยากลำบากมาแล้วถึงจะรู้หลาโออายังไงหลวงพ่อเองก็ไม่เคยลืมตัวไม่เคยลืมตัวเพราะว่าเราเคยผ่านทุกข์ยากมาแล้วถึงจะมั่งมีสีสุขก็เถอะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่ง แต่ว่าความทุกข์ยากลําบากที่ เ, ยเคยเผ่านมาแล้วนั้นเราได้ศึกษาเรียนรู้ความเอาตัวรอดอย่างไรนี่แหละแต่บางคนลูกหลานยุคนี้สมัยนี้พออยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขึ้นมาแล้วก็เ็รวยลืมลืมตัวไปง่ายๆเหมือนกับถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับลูกสมัยเมื่อพ่อยังอยู่ หาบกล้วยเตี้ยวขายเออเก็บขยะขายหาบกล้วยเตี๋ยวขายจนตั้งตัวได้เป็นเศรษฐีมีรถเบนซ์มีกิจการใหญ่แต่พอลูกเกิดมาจากพ่อแม่เออแต่ว่าพ่อแม่นั้นไม่ลืมเห็นอะไรเก็บหมดเก็บหอมลอมริบอแต่ลูกชายลูกหญิงเกิดมาจากพ่อแม่เป็นคนร่ำรวยไม่เคยผ่านความยากลาบาก มาก่อนนี่แหละลืมตัวได้ง่ายนี่แหละการลืมตัวได้ง่ายจุดนี้แหละทำให้ตระกูล น, นั้นตระกูล น, นั้นเสียหายได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะอะไรเพราะความลืมตัวใช้ลูชูแจกเพราะไม่เห็นคุณค่าในการส่แสวงหาทรัพย์ที่มาด้วยความยากลำบากจุดนี้ก็เหมือนกันถ้าเปรียบเทียบกับวัดวาศาสนาก็ลักษณะอย่างนั้นน่ะ หลวงพ่อเองก็เป็นห่วงเหมือนกันต่อไปภายภาคหน้าแต่ก็จะว่าอย่างไงล่ะโลกนี้เป็นโลกอ น, นิจงังทุกขังอนัตตาเราจะให้เสมอต้นเสมอปลายนะคงเป็นไปไม่ได้อย่างที่คนเคยพูดกับหลวงพ่อว่ายุคกูบาลจาร์สมัยเก่ารู้สึกว่าท่านอยู่ในหลักพระธรรมวินัยอยู่ในกรอบแต่มายุคนี้สมัยนี้รู้สึกว่า อติเลกลาบหรือว่าสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องรู้สึกว่าการกระทาสิ่งไหนรู้สึกว่าอ่อนแอล่อยหลอลงไปเรื่อยๆคือว่าสรุปแล้วก็คือหย่อนยานหย่อนยานลงไปเรื่อยๆหลวงพ่อก็เลยบอกว่าธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมชาติของโลกธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้แหละ<ไ>เราคิดดูสิว่าสมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ ท่านประกาศาศาสนาเป็นที่ยอมรับของพุทธบ ร, ริษัท4คนนับถือเลื่อมใสยอย่างมากแต่เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วยังเหลือแต่พระสาวกในเมื่อพระสาวกก็จะให้เหมือนพระพุทธเจ้าคงเป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันลดคุณภาพลงอย่างมากในเมื่อพระสาวกที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าในท่านประกาศาศาสนาถึงยังไงก็ยัง ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าคนยังนับถือเริ่มใส่พอต่อมาหมดพระเถระเหล่านั้นมาถึงลูกศิษย์ความนับถือเริ่มใสก็ลดลงอีกจนมาถึงยุคหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็เป็นที่ยอมรับของคู่คนทั้งหลายหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นแต่พอมาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเราก็เคารพนับถือแต่ใช่สุดอกสุดใจเหมือนหลวงปู่มั่นก็คงจะไม่ใช่อีกเหมือนกันลดลงมา จะถึงมาถึงพวกเราท่านทั้งหลายอยากจะให้เหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คงจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันก็ลดลงไปอีกนี่แหละสรุปแล้วก็คือไม่ว่าศาสนาไหนหไม่ว่าพุทธศาสนาความนับถือเลื่อมใสในจิตในใจชุดช่วยรวยแหลมไปเรื่อยหเหมือนกับหางแย้อย่างนั้นหางแย้หางตะกวดฮ้ยพวกเลยเคยเห็นมหหางกิ่งกา มันเลียวไปเรื่อยๆ ย, ย่นันเลียวไปทั้งหางอันนี้ก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติรว่าพูด้ละไว้ว่าศาสนาของเราจะอยู่ได้ห้าพันปีห้าพันปีแต่ท่านก็ไม่ได้พูดตายตัวทีเดียวท่านก็บอกอีกว่าถ้าหากว่ายังมีผู้ปฏิบัติอยู่ยังมีความเคารพนับถือเรื่มสายยังมีผู้ปฏิบัติอยู่ไม่ว่าแต่ห้าพันปี เ, เป็นหลายหมื่นปีก็ได้ ถ้ายังมีผู้ปฏิบัติถ้าพูดให้เจ้าท่านพูดอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเรามาถึงยุคนี้สมัยนี้เข้ามาศึกษาในหลักธรรมคำสอนก็ขอให้พวกเราลูกหลานทั้งหลายเชื่อมั่นในปฏิปทาหรือหลักธรรมคำสอนหลักใหญ่ๆแนวอริยสัจอริยสัจสี่ทุกสมุทัยในโลธมัก ไตลักษณ์อเนจังอเจังทุกขังอนัตตาสติปัฏฐานสีกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละยังมีอีกยังหลักของพุธศาสนายังถ้าเราวิเคราะห์ยังไงเราก็ยังยอมรับว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจังมีแล้วก็อีกอย่างหนึงห่งพวกเราก็น่าจะวิเคราะห์อีกไปอีกวันพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเรา ท่านปฏิบัติมาสืบทอดมาท่านสั่งสอนแนะนำสั่งสอนมาในเิกิจของท่านหรือพระธรรมเทศนาของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งของหลวงตาที่ท่านประ ก, กาศหรือครูบายจารหลาหลายองค์ที่ท่านประ ก, กาศในธรรมหรือแนวทางปฏิบัติของท่านที่เป็นแนวแถวสายหลวงปู่มั่นแต่หลวงปู่มั่นเองที่ท่านปู่ปู่เสาหลวงปู่มั่นที่ท่านปฏิบัติ อธิธาตของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตอีกกรบพวกเราก็ได้เห็นและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามสายของท่านอีกก็ได้กลายเป็นพระธาตอีกอันนี้ก็พวกเราที่เป็นลูกหลานเหลนทั้งหลายก็ควรจะศึกษาอีกเหมือนกันนึศึกษาในแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติอย่างไรแต่สาหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อเชื่อในปฏิปทาแล้วเชื่อแนวแนวทางที่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาเนี่ยเกินร้อยนะลูกหลานนะ เ, เกินร้อยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะ เ, เกินร้อยขนาดไหนเขาว่าร้อยเนะี่ยเกินร้อยอีกอไงไอเลยเพราะเชื่อแนวแนวทางปฏิบัติถ้าพวกเราปฏิบัติแล้วนะ่ะพวกเราจะเชื่อในแนวทางไม่ใช่เชื่อทางทฤษฎีเท่านั้นนะ เ, เหมือนกับเราอ่านทางทฤษฎีคือมัอนเรากางแผนที่ขึ้นมาศึกษาแผนที่นะคือปริยัต ในเมื่อกางแผนที่เสร็จแล้วท่านบอกว่าเนี่ยต้องเดินไปอย่างนั้นนะอย่างที่ว่าพวกเราออกจากนี้แล้ว จ, จะลงกรุงเทพจะไปทางไหนเดินไปบ้านผืออำเภอบ้านผือจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะ mm! แล้วเข้าไปอุดรทางแยกจะไปอุดรจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะแล้วไปขอนแก่นขอนแก่นจะเป็นลักษณะอย่างๆๆนะั้นนะอันนี้คือแผนที่ท่านบอกแต่ถ้าเราดูแต่แผนที่เฉยๆแล้วก็พับแผนที่เอาไว้ก็อยู่กับที่ เราก็ไปไม่ถึงไหนแต่ถ้าว่าเราดูแผนที่แล้วเนี่ยจับแผนที่ทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินไปทางไหนเราก็พยายามเดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่แผนที่บอกกล่าวนั่นแหละทีนี้เราก็จะเห็นถึงจะไม่ถึงกรุงเทพก็เถอะถึงบ้านผือเราก็ยังมั่นใจว่าเออแผนที่นี่พูดถูกไปถึงอุดรเอ อ, อ, อใช่แผนที่นี่พูดตรงตัว นี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวแนะนำพวกเราถ้าพวกเรานำมาประพฤติปฏิบัติเดินตามแนวแถวสายของท่านแล้วหลวงพ่อเองมั่นใจพวกเราคณะัาติญาติโยมลูกหลานทุกคนจะประสบความสำเร็จในระดับที่พวกเราประพฤติปฏิบัติตัวเฉพาะ อ, อย่างยิ่งท่านสอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเรื่องภาวนา จะทำจิตใจยังไงจึงจะสงบบริกรรมยังไงทำยังไงถ้าพวกเราเรจิตใจได้รับความสงบในสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วนั่นแหละเราจะยอมรับเลยว่าแผนที่ได้ถูกต้องออไปเดินไปได้ตามแนวแถวแผนที่นี้นี่นี่แหละขอให้ลูกหลานทั้งหลายนะทิ้งผู้ที่เ้ามาบวชแล้วก็สึกออกไปก็ให้เป็นคนดียึดแนวแถว พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งศินห้า ห, หลวงพ่อบอกนะย้ําทิศใหม่ทั้งหมดนะทิศใหม่ทั้งหมดนะที่มาบวชกับวัดหลวงพ่อถ้าลาศิกขาออกไปแล้วเ อ, อถ้าเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปได้ทิศทั้งหลายต้องยุดในการดื่มสุราตรงพ่อบอกเพราะว่าเหตุไรจึงไม่ให้ดื่มดื่ม สุราคัญช่ายาฝิ่นเฮโร อ, อีนของบุนเมาทั้งหลายพอดื่มเข้าไปแล้วเสพเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ประพฤติผิดในลูกสามีภรรยาของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะดื่มสุราเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายที่มาผ่านวัดหลวงพ่อไปแล้วหลวงพ่อสั่งเสียนะ บินทบาทก็ว่าได้ขอร้องก็ว่าได้ลูกหลานจะไปดื่มเน่าสุราถ้าลูกหลานหวังความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือว่าหวังความเจริญหวังความสุขในการเป็นอยู่ของลูกหลานลูกหลานให้งดให้เห็นว่าเป็นพิษภัยเพอดื่มเข้าไปแล้วมันขาดจติแล้วมันทําได้ทุกอย่างเพราะนั้นพวกเราทําไมก็รู้จะแล้วว่ามัน แก็จะขาดสติทําไมเราจึงจะไปทําไปดื่มไปเสพในสิ่งเหล่านั้นเนี่แหละหลวงพ่อบอกกับทิศทั้งหลายนะแต่ส่วนอื่นก็ให้มีศีลห้านั่นแหละถ้ามีศีลห้าแล้วก็วคือคนดีจะไปอยู่ในสถานที่ใดเขาจัดว่าเป็นคนดีศีลห้าที่มีศีลห้าคุ้มครองไม่คิดฆ่าคนไม่คิดฆ่าสัตว์ไม่ขโมยของเขาเขารบในสิทธิ์ภรรยาลูกหลานของคนอื่นเขาไม่โกหกนะ นี่แหละถ้าไปอยู่ในสถ า, านที่ใดตีทั้งนั้นถ้าผู้ที่มีศีลห้านะถ้าขาดศีลห้าเมื่อไรถ้าขาดมากกว่าคุณภาพของมนุษย์คุณภาพของเราก็ต้องลดลงถ้าขาดมากกวไาเก็ยิ่ยงขาดคุณภาพลงถ้าไม่มีศีลห้าเลยไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเฉลยเนะี่ยไปว่ามไม่มีต่หางเท่า น, นั้นแหละทีนี้อาจจะเป็นหมาของมาหางด้วนลักษณะอย่างนั้นแหละเพราะมัน มันเร็วเลยเรียกว่าอามนุษสติรัชนาโนในหลักของพุทธศาสนานพระพุทธเจ้าทั้งหมดมนุษย์สติรัชนาโนแต่ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสตติรัชน์มนุษย์เทโวพระร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเทวดาเ น, น, นี่แหละท่านเน้นนะเครื่องใจเป็นสําคัญนะ อตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พ่อน